คลองอเติมเขอีเติมกันแล้วแกก็ได้ปลาใช่ไหมแล้วพอหมออีกปีนั้นน่ะลูกชายแกก็บวยแล้วเมา่อลูกชายแก บ, บวยแล้วคร น, นี้ก็เนื่องจากว่าแกก็ไม่สบายดีอายุคุณสูงแล้วนี่ก็หกสิบแล้วนี่หกสูงแกก็นิมนต์พระลูกชายแกให้ไปบ้านว่าโยมไม่สบายผมก็พลอย ไปจะเข้าด้วยใช่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเขานี่เขาก็บอกแกธรรมดานะเขาบอกว่าพุโทโธครับันะ บ, บตามหลักแกก็จะต้องว่าพุโทโธตามเขาคเพราะว่าหูแกก็ยังดีตาแกก็ยังดีโดยด้าน ค, ความที่แกเคยชินครับครับบแกไปยุทดไอ้จริงที่แกทําแกเป็นนิดอยู่ใชเพราะเขาบอกพุโทโธ แต่ว่าไอ้ชอนแกว่าเงี้ยอกมีไอ้ข้าวมันุสตินะนั่นนะจ๊ะยุธพรเป็นพุทธานุสติไท่แต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าอาลังแกบอกไอ้โดแกว่าอย่างนั้นแม่แม่จิตเป็นชานเลยนะนี่แหละท่านท่านหาอิยอุปาทานมันไปยุติเสียงมันจะนำให้แกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่แหละเหมือนยมห้อย กรงก็ยอมห้อยยอมห้อยแกไมรยุธมันแกอย่างนี้กรงกันข้ามแต่แม่นกรงข้ามสิเมือ่อกี้บ่กกงกันก็ไปกันนะสิธรรมธรรชาติแม่งกรงข้ามกันนี่ก็นี้ยอมห้อยแกจิตแกจึงไม่ต้องห่วงนะเว้น <c oughs> แต่ว่าพวกเราที่ยังไม่ตายที่ยังมีลมหายใจเข้าออกก็ยังเยี่ยวยังขี้ยังกินได้เนี่ยระวังให้ดีนะทําไมอ้าวถ้าจิตไปมากไม่ได้รอบไม่โกรธได้หลงนะ อ่าแล้วก็พวกเตงตัวระางกายพวกใส่เป็นร่างฐานไปยันไหนก็ไปจัดพวกนี้นี่แยแหละเอออย่างนั้นสิอ๋อเนก็เปรานั้นว่าแท้คนไหนยังหวงราดยศนเฉริมสุขนั่นแล้วจะต้องมีทุก <c oughs> นี่ใครมีราดยศเฉสุขก็มาถวายกับครูวิชานไว้แ <c oughs> ม่เพราะครูวิชานรับเหมือนกันแต่ไม่เอาเข้าตัวอ้าว ไปวัดรับไห้วัดรับไปขอสงไปมืนท่านมหานี่นะเราลดไปเป็นสามสิบคันเนี่ยเราไปของตัวเราไปนิทานมันมีได้แล้วม่มีไถ้าไเป็นโค้งตัวก็ไม่มีอะไปไม่ได้ไม่มตสาไม่ใครให้ใช่ใช่ไม่ใครให้ใช่ถ้รวมความว่าเจตนาเขายอมหอยนีถ้าได้สาเพราก็เป็นอะไรอย่างที่พระเจ้าบอกว่า พิเกเวดูก่อนมีส่วนหลายแล้วถือว่าเจตนาเป็นตัวบุญใช่ไหมใช่ที่ตอนนี้เจตนาเป็นตัวบุญของโยมพ่อยี่ไหมันตรงกับตอนที่เอาเจตนาต้นกันนะเอาแบบบุญเบาของโยมพ่อยโยมพ่อยเนี่ยมีบุญเบาบุญกลางและบุญหนักมันมีสามบุญนะใช่บุญเบาที่มีเจตนาเป็นมหาอุสลหมว่าตั้งใจจะทําบุญต้องทําให้ได้แต่กำหนดเวลามีศักธรรพมันก็ไปตรงกับสายตะกี้เทิดทดาที่ไปเคยสร้างบุญสร้างอุสนเมื่ก่อน แต่ว่า น, นึกถึงศาสนาเขาองค์สมเด็จพระจินวนวรในเมื่อเห็นดอกโวกผมมันมีสีเหลืองใช่ไหมใช่ใช่ไลจีว <c oughs> รพระในพุทธศาสนาอยากจะไปบูชาพระไอเรื่องราวศตกระกีเทพธิดามันเป็นมาอย่างไรครับลองไล่ฟังกันทีล่านี้มันก็เมื่อไกนึกถึงขึ้นมาในงี้ก็เด็ดดอกบบกผมจะไปบูชาพระองแกมันสีมันเหมือนจีวรพระ<ช>แล้วก็ปลาปลาแล้วก็ไอไองูเจ้าค้ำมันก็ไปกัดจะตายนะเอามากัดจะตายเนี่ยแก หาจะไปนรกทั้งอะไรเราแร่ดันเป็นดานเทพพิธีร่เรื่ความว่าดตั้งใจจะนันมีแหละตั้งใจตัวเด่นสำคัญยังไม่ถึงเขตของบุญใช่ยังไม่ทันไหว้พระยังไม่ได้ทันเล่นพระคุณแล้วมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงแต่บุญยังไม่ทำไมยังไม่ได้ก่อจิตไั่ก่ออะกออะไร ก็มันเกอะบุญทุกมาแล้วดิเจตนาเจตนาเจตนาใช้ได้แล้วคนเจ้าอ๋อเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจเลยวเข้าใจเลยไม่จะแกล้งแม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพยายามไม่เข้าใจนิดเดียวที่ถามมาก็รวมความว่าอย่างญาติโยมพู้ตบริษัททุกคนนี่นะผมาจะถามความเข้งใจเนะเอาเอาละะถามมาพักผู้ใหญ่ข้าขึ้นมาก็ข้าปลาไอช่อนใหม่ดูบ้าง ตกเย็นก็แผลบ้างปลาโมโคบ้างตอนกลางวันก็ด่ากันบ้างตอนคืนคิดจุดมย่งเขาบ้างแต่ว่าบางเวลาคิดตั้งใจจะทําบุญจวนจะตายมันจะไปสวรรค์ไหมอันนี้นะพระคุณเจ้านะครับเขาเทียบไว้เป็นโค่เออไม่ไปยังไงไปยัไงว่าไปคข่ได้เขาเทียบไว้นะครับเขาบอกว่าเขาตายตัวหนึ่งนะเขาเปรียบเหมือนคนวันนี้หมาสองตัวไอ้ตัวนึ่งดำเปรียบเหมือนบาบ ไอ้ตัวนั้นขาวเปลี่ยนมันบุญถ้าหากว่าท่านผู้ใดทาบาปมากไอ้หมาตัวดํามันก็โตอ้วนใหญ่กําลังดีโอ้ถ้าทําบุญน้อยไอ้ตัวขาวมันก็เล็กคระนี้เมื่อเจ้กระต่ายไอ้ตัวดํามันก็จําเป็นที่ต้องเอาไปกินครับครับเพราะกําลังมันดีกว่านะคระนี้ถ้าหากว่าเราทําบุญมันจะมากเรารู้ตัวนี่ครับว่าเมื่อตอนหนุ่มหนุมเราทําบาปไปเยอะใช่ไหมครับครับมาถึงตอนแก่เรารีบแก้ไข เราของมันแก้ก็ได้เรับรุงได้แต่ใช่ที่เราทำบุญให้เยอะเช่นเมันต้องว่าหนึ่งลักษณะินห้าไมันยึดพีดีวคุเดียฉันเกิดเป็นคนนะสองลักษะินแปดเรามีเทวธรรมพีดีวออสตาไฟคู่หนึ่งใช่มชันันเป็นเทวดาที่ก็ลอดตัวไปได้ขอบคุณเจ้าไปได้ไหใช่เราไปได้พระหาขก็มัวแต ความแหความสุ่มความรอบเราเสร็จทันเลยพุทโธไอช่อนนั่นแหละกะหลังไอโดนั่นแหละต้องด่างทางแล้วกระหลังไดูดพุทโธไอช่อนนั่นแหละไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วไปได้เป็นการไปสุนธนภยากลมใช่ญาโยมพุทธบริษัทที่ท่านพระครูวิชานเัยคุณท่านแก่มานี่เข้าไปเปรียบเทียบได้กับสารกีเทพิดา พร็เรื่องราวของเศรกริจเทพนายก็มีว่าเธอน่าเป็นคนจนตอนเช้าก็ไปหาฟืนมาขายตอนเย็นก็เข้านอนตอนเช้าก็ไปโอกาสที่ทําบุญบังบุญศนไม่มีแล้วว่าเวลานั้นมีพระพุทธศาสนาอยู่อากาสที่เทรายใสบาดก็ประสงค์ในพระสงค์สาวกองสมเด็จพระบรมครู ก, ก็หายากไม่มีเวลาก็จนมากไอ้ตอนนี้เธอเข้ามาในป่าวันนั้นเห็นดอกบวชผม มีสีเหลืองคลายจีวรพระอาศัยที่จิตรศรัทธามีอยู่จิงตั้งใจว่าจะเก็บดอกบกผมไปบูชาสัตวสาวเขอาองค์สมเด็จพระบรมครูแต่ก็เป็นการมาเอิญอย่างยิ่งกับาาพระอาบน้ำกินข้าวเสร็จผ้าดอกบกผมไปถูกวัวไปตายอาศัยที่เจตนาเทเป็นมหาอุสนตั้งใจอยู่แล้วสมเด็จพระปพิธีแก้วทรงยืนยัน ว่าสาธกิเทพิดาคนนี้นั่นคือคนคาสักคนไปเกิดเป็นเทพนาเทพิดาที่สาตธกิเทพดามีวิมานเป็นที่อยู่เป็นยังฟ้าหนึง่นงพันลุมบริวารแล้วก็พระโมคคัลลาไปพบจึงถามความเป็นมาของเธอทีก็ลระไรฟังตามที่พระครูท่านพระครูพูดจริงถูกต้องทุกประการตอนนี้เจตนาในตอนตอน้นของยมพ่อที่ว่ามีสัจธรรมคือตั้งใจใคลายคลึงกับสาธกีเทพดาแต่ว่าหุณยมพ่อเนี่ได้เปรียบกว่าเยอะท่านตั้งใจและก็ท่านทำได้ด้วย ศาสาที่เกี่ยวกบพิธาในชีวิตในชีวิตนั้นมีครั้งเดียวในชีวิตที่พิจจะทําบุญแล้วก็ทํายังไม่ทาเสร็จท่านจะไปท่านจะไปสวรรค์ได้ชั้นหนในเมื่อคุณยอมห้อยตั้งใจจะทําได้ด้วยอย่างนี้ถ้าบุญแค่นี้ท่านมาังกครับบุญแค่นี้ถ้าตั้งใจแล้วก็ทำได้โ ด, ย, ดยจัเป็นทานก็ดีสิ่งก็ดีจะไปไหนครับ แค่นี้ล่ะเอาแค่ที่ล้วขี้เหลนะบ่าคุณเจ้านะเพราะยอมห้อยเนี่ยตามที่ผมเคยสอบถามดูนะแต่ได้ฌานซะด้วยเอาแค่ขี่เลี้ยวนะขี้เหล่ขี้เลพาดพาดี้เ้ยว่นี้แหละได้ฌานนะไม่ได้ฌานต้องเป็นฌานแน่ฌานในรูสติเือพูดฌานรูสติไม่ถึงบ่าเจ้าไม่ไดม่ได้การมาเรื่องรูสติเกิดเป็นลมได้ขอบคุณเจ้าไม่ถึงเปนกระทบลมได้นะได้ยังการยังกับ การตั้งใจทำบุญทำกุศลเป็นจาคาโนสติใช่ไหมใช่อารมณ์ของอนุสติที่ไม่ต้องหลักการนะใช่คือมันชินอยู่ในใจใช่ไหมตั้งใจที่จะทำอเสมอเป็นนุสติอย่างเลวก็ไปสวรรค์อย่างมีกำลังมากเป็นโทมใช่ไหมใช่ใชนี่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของกุศลต้นคุณโยมห้อยนมัญรายญาโยมพุทธบริษัทอันนี้ผมจะถามอีกทีถามคนอื่นบ้างสมมติว่าคนที่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยทำความดีเลย ชิ้นห้าขาดครบพว้นพบวนทุกประการแต่ว่าตอนใกล้จะตายนึกถึงความดีเขาองค์สมเด็จพระจิตมยัยคือไม่ถึงพระเจ้าทั้งสองสามนาทีจะไปส ว, วปรรค์หรือไปนรกได้ไปสวรรค์นะพอะคุณเจ้าไปเป็นกันอ้าวหัวเรีย่ยวหัวต่อไงเราเออเป็นไงเป็นไงอ้าก็เหมือนหัวเรีย่ยวหัวต่อยตรมุมที่เราจะไปไม่ไปทางมันเป็นทางแยกครับแค่นั้นล่ะครับครับคือคนเราอ่ะมันมีสองอันนะพระคุณเจ้านะครั บ, ร บ, รบอะไรเรื่ยเรือใครมีของอันไอ้ทำมาสองอันเลย่ะ คนคนดีไอ้พรไอ้สังอันนี้เคือหม้ยความว่าในชาติที่แล้วบุญเก่าในชาติก่อนแตไม่นี้ก็อยู่บ้างไม่ใช่ว่าแกจะไม่มีเชลเลยนะครับอันนี้อันหนึ่งละแล้วอีกอันหนึ่งมาในชาติตอนต้นๆที่แกเกิดแต่ก็ไม่มาเดียกกับมัวตะกอดกรรมทำเข็นนํามาหากินงกันไปตามเรื่องตามลาวก็บาปมากบุญบ้างใช่ไหมครับแล้วก็นี่ไม่โวนใครจะตายแต่มารูบสุกตัว แต่ก็ตั้งใจว่าภาวนาเช่นพุทโธพุทโธพุทธพุทโธเป็นที่เพิ่เนี่ยเราคุณเจ้าเป็นเทวดาได้สมายเลยใช่ใช่ใช่ตัวอย่างอันเนี้อะข้าพธิการะนั่นเราฮะพุทธิการะเลยใช่ไหนจะลองเล่าย่อๆดิพุทธิการะเนี่ยเรื่องผมก็มันจํามาไหนก็เป็นมหาเก่าแต่เลยอ่าเรื่องก็มีว่าท่านพุธิการะนี่ตั้งแต่เกิดมาท่านไม่เคยสร้างความดี มีอย่างเดียวมีความชั่วเป็นฌานสมาบัติใช่ั้มใช่เห็นห่าขาดพบใครจะทำบุญให้ใครแกล่งแกล้งอยู่เสมอไม่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะตายอาศัยทุกขเวทนาหนักก็คิดว่าลูกกรมีก็ดีเมียก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีไม่สามารถจะช่วยเราได้เห็นจยงมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านใจดีใช่ก็รวมความว่าตอนนั้นจิตก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพอตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดสวรรค์ชนเดี อาศัยที่จะตายก็อาศัยพระเจ้าจจตนียาบัญญาตโยมพุทธบริษัทพอจะหมดบุญก็พบพูะเจ้าอีกครั้งหนึ่งฟังเทศอุณหิตวิชัยจะสูตรจบเป็นปรผสมดาบันนี่เป็นอันใดคนถ้ามันจะเลวมาตลอดการที่พระเจ้ากล่าวาว่าพต้นโคดปลายตรงก็ใช้ได้นะใช่ได้ใช้ออได้เป็นพผ้าดียดได้เลยเออนรกกไปไม่ได้เลยตอนนี้มาความดีตอนตอนสุดท้ายแหละเมื่อกี้ท่านครูตีรวบพระละสองดีแล้วโยมห้อยนะ ดีต้นดีกลางปีไปที่ชานในผิวดีกลางแล้วนะใช่ที่มาความดีตอนสุดท้ายครับตอนที่ท่านพ้นยมห้อยเนี่ยเนี่ตอนที่เขาจะตายดีนะอีตรงนี้อี ต, ตอนนี้มผมจับความในอันหนึ่งครับ <ผม S 1> ครผมก็ไม่ได้มาครับไม่ได้มีแต่ท่านมหาพูดให้ฟังแล้วก็มีครับอีหนูมันพูดให้ฟังครับรแม่จะมาห่วงอะไรมันก็เปล่าแม่ไม่ห่วงอะไรแล้ว แม่ห่วงเจ็บตาห่วงสังขารห่วงหรือเปล่าแม่ไม่ห่วงไม่ตัดทิ้งแล้วคราวนี้คนเรารมาพระคุณเจ้าเมื่อเป็นนักเสียนะ่ะละละสังขารได้โดยไม่ห่วงใหญ่นี่อันนะแล้วก็ละไอตัวบุญคือตัวทําดีได้โดยไม่ห่วงใหญ่ละไอความทั่วที่เคยผิดธรรมมาบ้าเล็กน้อยโดยไม่ห่วงใยสามละนี่ได้แล้วก็ เขาเรียกว่ามีอารมณ์เทวินิพันธ์กับคุณเจ้าค่ะย่าเลยเจ้าค่ะเออระวังนะะายภาพอุตุอตอริมนุสธรรมนะว่าผมไม่เหลืออ่าเพระเ <laughs> ขาว่าเธอผมไม่ว่าอะไระ <laughs> เป็นหน้าที่เขาว่าใช่แต่นี่เราไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้พยากรณ์นะใช่มันเป็นอารมณ์เออตัวอย่างทย่ ค, คล้ายคือสกคนเหมืองอย่างท่านพระโคติกะนะใช่หรือว่าอย่างคุนยมห้อยนี่ท่านได้เปรียบมากกว่าพระโคติกะ พระโคดิกะดีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาญาตโยมพุทธบริษัทที่ท่นานพระครูพูดมากี่นี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้ากันคือว่าสาวกไม่มีอานาจพยายกรมรรคผล ใ, ใดๆของบุคคลผู้ปฏิบัติแต่ว่าผู้มีอานาจพยายกรมีองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าก็าจะขอนําเรื่องราวของพระโคดิกมามันเล่าสู่กันฟังเสียนิดหนึ่งคือว่าพระโคดิกะนี้เข้ามาบวชพร้อมกับเพื่อนหลายองค์เลยกันเมื่อเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้ฌานโลกี <c oughs> เมื่อได้ชานโลกีก็ปรากฏว่าพรากคนไี้ป่วยมากร่างกายบวมไม่สามารถจะลุกขึ้นไปบินสบาตก็ไปไม่ได้ขนาดใดที่ป่วยความปวดทุกเวทนามันมากชายก็ลดตัวลงเกือบจะสิ้นไปขนาดใดที่ทุกเวทนาคลายตัวชายก็ปรากฏขึ้นเพราะชานสมาบัตขึ้นกับร่างกายแต่ตัวนี้ยังไม่สูงมาก แต่ว่าสําหรับพระเพื่อนๆอย่างกันก็เป็นระโสดาบันบ้างสิกิทาคามีบ้างมีอนาคามีบ้างเปอรหันต์บ้างไปพระอริยเจ้าสมบกัก็ปลายกฏว่าท่านพระโคดีกาท่านก็เคยโกรธทูโกรธตัวเองว่าไอ้ร่างกายนี่มันยำ ม, มากแต่ว่าเรายังดีๆอยู่อาจจะเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วแต่ไอ้เจ้าศัตรูตัวใจแกล้วคือร่างกายมันแกล้งเราปู่อยู่เสมอ คิดว่าถ้ากําลังดีเมื่อไรจะเชือมมันคอมาให้มันตายไปเลิกคบกันรวมความว่าในขั้นสุดท้ายในเมื่อคนเหลือเมื่อร่างกายดีขึ้นมาต้องรวบรวมกําลังใจว่าร่างกายที่เป็นศัตรูใหญ่เองกับข่าเลิกกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็เชื่อคอตาย ไอการเชื่อคอตายแบบนี้เดี่ยวไม่ห่วงด้านกายใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเขียตลเหมือนเหมือนจะยมห้อยที่ไม่ห่วงอะไรทั้งหมดใช่ไหมไม่ห่วงอะไรทั้งหมดแล้วอยากจะทราบว่าท่านพระโคติกาท่านตายแล้วไปไหนครับอ้าวเข้าเนี่พานไปเลยคขาผพานใช่ใครบอกอ่ะอ้าวผมพูดอยู่นเ่งกับเราระวังเลยพยากรนี่เนี่ยใครว่าผมว่าพยากรเนี่พานได้มาถามมาคุยกับผมได้โอ้เงี้ยเลยใช่ไปตนไหนว่าจะคล้องนอนออกไปโดนไหมไปตีที่นอนไห กร็รวมความว่าพระพุทธเจ้าสมัยยานกรที่พระภูมิชานพูดเมื่อกี้นี้เข้าใจว่าธรรมยานกรเองนะท่านบอกตามที่พระทเจ้าสมัยยานกรกับพยามารกันไหมใช่ว่าปาปิมะดูก่อนมารผู้มีบาปโคดิกะลูกชายพวกเราทุนวิสยัยของเธอเสร็จแล้วคือปณิพานา น, นี่มันว่าเวลานี้คุณโยมห้อยก็เช่นเดียวกันอาตมากับพระครูไม่สมัยานกรนะภาษาพระพุทธมีอำนาจในเมื่อท่านเบื่อหนายร่างกายมาตั้งแต่ร่างกายยังดี ยังไม่ป่วยไข้ไม่สมบายเั้งกับปรารระพมการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานทัางไม่ขาดการรักษาศีไม่าาไมขาดการให้ทานไม่ขา ด, ก, ารขาดกรงความว่าบุญริยาวัตถุสาการในครบเจริญธร ค, รา ท, าคทานละใหม่ศีลละาหม่ภาวนาใหม่สามอย่างไม่ขาด<ม>เลไม่ขาดได้การทานละใหตัดตัวโลภะใช่ไหมทานลมตัดโลกใช่ไมไตัดศลละใหมตใโกรธ ภาวนาไม่ตัดตัดหลงแล้วก็มันตัดทั้งสามตัดเนี่ยถ้าไม่ไปนิพานจะไปไหนก็ตามใจเนี่ยเหรอเออเอาของใครมันจะว่าเป็นกุญแีมือเดือนมันจะโคตรแฝงไปเใช่ใช่ได้นะเราในเกี่ยวกับมันนะแรวมกว่าว่าเจริยาเขหลวงห้อยที่เป็นจริยาดีใช่ไหมใช่การเทศกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาเรื่องนั้นมาเทศน์ในประเทศเทศต้องการให้รู้ วันนี้เขาทําความดีกันข้าุูชาความดีขุนโยมห้อยเที่ยความดีมาพูดให้ฟังอย่างนี้มันก็ยังไม่เท่าหนึ่งในสิ่งที่ท่านมีอยู่นะใช่แต่ถึงกระไรก็ดีญาติโยทมทั้งหมดที่มาจะได้รู้ว่าเวลานี้สา ว, พวกพระองค์สมเด็จพระบรมครูที่เป็นครวัดก็มีท่านหนึ่งที่เราเรียกมีความเข้าใจว่าท่านละขันห้าเดเด็ชาที่ได้วส ก, การเยี่ยมที่ดีใช่ไหม ได้กายทุนเจ้าใช่กายทิถิตัดไร้กายทิ่ถิได้แน่นอนท่านจะเดินสมาธิวิปัสสนานั่งที่นี่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฟังอยู่ที่นี่ก็ได้มโนยิธิกันมากก็าพึงเข้าใจว่าการปฏิบัติตอนหนึ่งท่านได้ถึงฌานสมาบัติก็ดีได้พิจุคุญายก็ดีได้มโนยิทธิก็ดีแต่ถ้าว่ายังเป็นฌานโลกีอยู่ก็ยังไเหยียกนรกใช่ อาจเราจะตัดให้ได้จริงๆในเมื่อเห็นสวรรค์ได้เห็นสัมมโลกได้เห็นนิพพานได้ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวสัมมโลกได้ไปเที่นิพพานได้ก็จงเอาใจเกาะนิพพานเมื่อเกาอนิพพานแล้วก็มองมาดูที่กายว่าไอ้กายระยำอย่างนี้จะไม่มีสนับเปล่าต่อไปใช่ไหม เพราร่างกายที่พังมาไรต้องการที่ผ่านมานั้นยานี้ตายมาไรตปองได้ผ่านมานั้นนะใช่ถูกแต่ว่าตอนก่อนจะตายต้องบวมนายถูกนะจะลอกไปเอาหลังแล้วไอ้ใจโดนลอยช่อนไม่ได้นะมาคุณเจ้าไอ้เรื่องนี้นะเออเป็นไงว่าก่อนเราคุณเจ้าอยู่กะลกะผมที่นนนนาครับแล้วเราคุณเจ้าก็แยกกันมานะหมจาแล้วผมก็ผมเพ่งเพียนให้มันหนักไปเวลานั้นก็พระคุณเจ้าก็รู้นี่ ว่าผมเองน่ะกาลังมีเรื่องทุกข์ในใจหนักมากกาลังเป็นความของเข้าอยู่ใช่ัหมล่ะครับครับแลวนี้ก็ผมก็เกลียดไอ้ตัวทุกตัวเนี้เกลียดมันมากอยากจะหนีแต่ว่าเมื่อก่อนจะตายก็ขอให้ได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันนี่ดีดีครับผมตั้งใจอย่างนั้นนะครับแล้ววันหนึ่ง นี่ผมเล่าเรื่องจริงไงพระคุณเจ้าฟังครับวันหนึ่งผมก็นั่งทำกรรมฐานมันจะเวลานานสักเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ประเดกํำหนดเมื่อทำเสร็จแล้วผมก็ลงไปนอนลงนอ น, นีนอารมณ์กรรมฐานมันก็ติดผมก็อยากแก้มันหลับไม่ไหวมันหาหลับไม่พระคุณเจ้าไม่ไหวละ จิตมันดันเดินออกไปจากนี่เลยพระคุณเจ้าอเดินออกไปเดี๋ยวเดียเดียจิตแค่ประครูไปเท่าเหรอมีสี่เท่าสี่เท่าแต่เราพระคุณเจ้าถามได้มันมีสี่เท่าหรือแปดเท่านี่ไคลที่มันไกลเท่านี้เท่าไม่ใช่ผมเห็นคนมีสองเท้าหมาไม่สี่เท่าถูกเวลาจิตออกมันเป็นจิตหมาจิตคนผขไม่รู้ใช่ครานี้ผมเดินออกไป ไปไนี่ผมก็มานึกขึ้นในใจว่าเอ๊ะคนเรานี่มันถอดจิตได้แฮะเพราะว่ามันไอเจ้าว่ามันหลับมันก็ไม่ใช่ไอเจ้าว่ามันตื่นนักมันก็ไม่เคยไอนี่ดีมากดีมากใช่แล้วผมก็เพรามันตั้งใจว่าจะไปไหว้พระธรรมาภรณพุทธเจ้าครับผมก็ไปไปยคุณเจ้าออผมไปเลยเด้กคนผมไม่เข้าเมตตาเด็ดเด็กเด็กขอขอขาดอิมิต เวลาที่ออกจากจิตออกจากร่างเวลารูปร่างมันเป็นพระอย่างนี้แล้วเป็นเทวดาเป็นพร ะ, ะเป็นพระ<ใ> น, น, น ะ, <esp> ะเป็นพระมันยังนี้นพระเป็นพระสมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบเลยเอาล่าล่ครับตไปแล้วข้อนี้ผมก็ไปเพราะคนเจ้ามันทําไมไวอย่างไหนที่ตามตําร า, าเขาบอกว่าทวรัดยืมมือเดียวรัดที่มือเดียวชา ก, กว่าใช่อยที่จริงจริงๆมันถึงเลยครับครับที่นี้ถึงเขาบอกเขาเขาไม่มีใครบอกผมเพราะเพราะว่าผมไม่เจอคน ผมไปเห็นกำแพงมันแห ว, วาไปในแก้วทั้งนั้นเลยครับโอ้ ด, ดีเพื่อไปหมดแอ้แก้วสารพัด ส, สีเอ้ผมไปเห็นผมว่าเอ้นี่จะเข้าท้งไหนรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในนี้คครครับับบเพราะจิตมารู้คราวนี้ผมก็เลยเอามือขวาพวกเนี้ยไปจี้โอ้โหประตูเอ้ดีนักกี้ดนะ ใช่จี้มามาตัวมาคุณเจ้าเปิดเลยมาตัวเปิดเลยมาเปิดผมก็เข้าไปครับครับคับผมเข้าไปเขาปิดเขาเองอีกคุณเจ้าอ๋ออือแล้วดิเขาเป็นอัตโนมัติครับครับครับเขาปิดเขาเองว่าเขาปิดเองผมเข้าไปผมก็ไปเห็นพระเนรก็โอโหเยอะแยะหมดทั้งพระทั้งเนรทั้งพระทั้งเนรที่เขาตอนนั้นนึกายเนร์ไหม จะไม่มช่ไม่อายแล้วนึกว่าจะเขาแสดงฤทธแสดงอะไรกันเล่นกันสนุกสนานใช่ไหมครับครับและไปเจอลุงพ่อองค์แกมีต้นไม้อยู่ต้นต้นไม้่วยครับครับแกฝากท่านตัวแกนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ผมก็ด็กอยากจะถามว่าพระพุทธเจ้านัท่านอยู่ในในปราสาทหลังไหนครับครับท่านก็นั่งเฉย เราเข้าไปนั่งต่อหน้าไปกราบท่านสามมนตัเนี่ยมานั่งเฉยผมก็เลยเคย่อยๆตะกี้อเอามาอือสะกี้ท่านใครก็ถามว่าเอา้าคุณจะมาหาพระพุทธเจ้าหรือแม่ท่านยาอย่างนั้นเลยคราบคๆบอกเขาเขบอกครับผมอยากจะกราบสมเด็จพระมาพุทธเจ้าสักครั้งเมื่อก่อนผมจะตายอเออใครลุกพาไปเลยพวกคุณเจ้าเดินนำหน้างุงงูๆๆๆๆๆๆๆไป ไปขยิบมไปถึงคราที้เขามีเครื่องพิสูจน์ว่าว่าผมมันจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอรหรันต์เร า, เ า, ามีเครื่องจับเท็จว่กัไหมเขามีเครื่องจับเท็จแน่เขามีเขามีดีดีดีอันนี้มันมันเป็นมันเป็นหินสองแง่ประคุณท่านมีแง่นะครับอันนี้แหกหินเนี่ยเป็นเอาวัดเจ้าครับครับคนนี้พอพอหลวงพ่อออกมันเดินเลยไปครับ ไอ้เจ๊บบ้าสองคน ม, มาอ ย, ยังไรคุณลุงมันโดดข้ามไปทางโนนข้ามไปทีี้มาให้ผมไปอ๋อ oh. ลุงพ่อแกก็เหลียวมาดูน้ oh. านึกว่าคุณเป็นพระรหัสแล้วคุณยังไม่ได้เป็นนี่รู้ได้ตรงนี้อ่ะพงศ์คุณเจ oh. ้าที่คุณมานี่ได้คุณได้กําลังชานคุณมาในกําลังชานเพราะความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณคุณจึงมาได้แล้วแกก็พาผมกลับเข้าไปไม่ได้ เออเขาเขาว่าเมืองมีพานไม่มีล้วพงไม่มีผมไม่เจอเราพระคุณเจ้าอ่ามีพระครูง้อยู่คนเดียวมันมีเขารูกมีมานานแล้วเนอเด็กๆไม่เข้าไปก็ไดเท่านั้นเองง้อยูงเดียวนั่นน่ยคือผมเห็นเขาพูดเขาว่าเมืองมีพานไม่มีผมไม่เชื่อเขาว่าศูนย์นะผมไม่ใช่เขาว่าศูนย์ศูนย์เสริญผมไม่เชื่อศูนย์เสริญเขาแก้ไวเองแล้วเนี่ยเนี่ยเขาไปมาแล้วอ่ะท่านที่ถ้าไปมาแล้วมันก็กล้ายืนยันก็ใช่แล้วกรนีผลที่ศู กลับมาแกก็ฟักผ้าจหน่าของแกในถุงย่ามแกขาวก็าะเจ้ารับจงในผมผืนนี้และแกก็ให้ผมเอามือลงขยี้ที่คุณพอผมขยี้<อ>มันกลายเป็นสีดำนั้นจุดธรามศกและแกบอกว่าจิตของคุณมันก็เดี๋ยวขาวมันก็เดี๋ยวดำเาบกว่าผมอย่างนี้ท่า ง, งัันก็ แ่มาส่งผมตรงหน้าประตูแ่บอกว่าคุณทำไม่ดีแล้วคุณจะได้กลับมาพบผมอีกผมจะนั่งรอคุณอยู่ที่นี่คุณทำไม่ดีครับครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กลังใ จ, งใจครับเวลานี่สมมติจัดไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกไหมว่าพระองค์นั้ น, นคือใครผมไ ม, ไม่รู้เลยว่าพระอะไรรู้เวลานี้ยังนึกออกว่าเขานั้นคือใครเห็นรูปร่างรม่ใ อ, อ่อยังลึกชื่อได้ไหม เนื้อื่นไม่ชื่อไมอกท่านไม่ได้บอกชื่อผมสงสัยว่าจะเป็นพระอุบาลีท่านนี่ท่านถ้ามีสากรับหรือดำเนอผิงดำดำคำมันลำลำเห็นไหมใช่ลำลำปลาเป็นพปลาไมั่สูงลองมาก็เด้ท่านแสดงออกนะใช่ใช่ไอ้ตอนนี้ถ้าไปครูไล่ฟังนี่มีประโยชน์มากไหมครับถ้าเล่าฟังกันแต่เรื่องรู้สึกมันจะมีประโยชน์น้อย ตอนนี้นนที่พระอนันตบอจิตของคุณเนี่ยบางครั้งมันก็ขาวบางครั้งมันก็ดำ น, นี่เวลาที่พระครูจะไปถึงนิพพานได้จิตเวลานั้นต้องขาวสะอาดจริงๆครับอยากจะทราบว่าอารมณ์ในตอนที่ก่อนที่พระครูจะตัดสินใจไปอารมณ์มันตัดอะไรบ้างโอ้พอมตัดทิ้งหมดเลยตัดหมดเลยเนี่หมดเลยไม่เอาอะไรทั้งหมดตอนนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเหลือทังไปความท่องใจนิดนิดหนึน่งก็ไม่มีไม่มีไม่ว่าหลัไม่ว่าย้อนจุกหมด อ, อะไรพวกเลิกทิ้งนี่นี่นี่จะไป อันนี้ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมต้องจํานโยมนะการมาฟังเทศกันก็ไม่ใช่ห่ากฟังกันแต่เรื่องหรือฟังกันแต่เรื่อสนุกสนานและการที่จะมาเผาศพก็คิดว่าวันนี้เราจะเผาที่พ่ศพโยมห้อยมันต้องนึกเรื่อไม่ช้าศพเราเขาก็จะเผาเหมือนกันเข้าไหมใช่และโยมห้อยนี่ท่านมีทั้งทรัพย์สินมีทั้งลูกหญิงมีทั้งลูกชายมีทั้งลูกเขยลูกสะพ้ย มีทุกอย่างแต่เวลานี้คุยังห้อยตายแล้วแบกใายไม่ได้ ด, ด้วยดีไหมเปล่าขันเรื่องตล <c oughs> อดทั้งวันเลยคุยว่าของกูของกูเนี่ยมันตัวมารต่างหากอ๋องั้นเลยเออมันตัวมารกดปัญหาเดีอเดี๋ยวเี๋มารรูปร่างหน้าตาเป็นไงมารเลยเหรอให้มันก็เหมือนคนนี้แหละเหมือนหน้าทั้งคุวิชานไหมใช่แ <c oughs> ิโโยมวันนี้เอามารมาเทศแล้วใช่เป้นไรอย่ากบนะใช่ เออเดี๋ยวเราไล่ฟังลักษณะของมานเป็นไงลักษณะของมานเนี่ยเหรอครับครั บ, รบลักษณะของมานของมนนันนะพระคุณเจ้ามันมีตัวใหญ่ตระกูลใหญ่ๆของมันมีสี่ตระกูลครับก็มีอะไรบ้างครับหนึ่งตระกูลเจ้าอาวิชาอคอยปกปิดไม่ใรู้จักของจริงไอ้ทจอมาัเลยเอจอมมันสิจอมมันนะครับสองตระกูลกิเลสคอยมีลอกโกรธหลงถ้าไปทําจิตให้คนอยู่เรื่อย แน่สามเจ้าตัวตัญหาไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักมีพร่องอยู่เป็นนิดอย่างนั้นแหละอยากจะเอานอนจะเอานี่กูจะเป็นอย่างนั้นกูจะเป็นอย่างงี้ไอ้นั่นว่ากูไอ้นี่ว่ากูกูคเครื่องมันกูอยากจะด่ามันอยากจะแช่งมันอะไรอยู่ให้ยุ่งอยู่นี่แหละอตัญหาหาและสีอุปาทานเฉยยุทธ์ไอ้นั่นก็นี่ก็ตัวกู ไอเนี้ก็พ่อคุงไอเนี้ยก็ลูกคุงไอเนี้ <c oughs> นก็เมียกุง <c oughs> ไอเนี้ยก็นาของคุงไอเนี้ยก็ไร่ของคุง <c oughs> ไอเนี้ก็ม้าควายของกุง <c oughs> ไอเนี้ก็บานเลือนของคุง <c oughs> ไอเนี้ก็เงินทองของคุไอเนี้แก้วแหวนก็เืินขลงของคุง แล้วก็พม้เข้าวหมแกมของคมกูกรนุงกระหงกองคมกูกระหลงกะลาบกองคมกูมันก็ไอ้บ้าหอควางนะเนี่ยแบบคุณเจ้าเว้ยบ้าหอฟางก็มันเราบ้าหอบฟางยังได้ฟังนะนายเนี่ยขมกูทำไมันไม่ได้ไม่ได้อะไรนี่มันวัวหลงเนี่ยเขาว่าตัวหลงละตัวหลงนี่แหละ ได้รวมความว่าอาศัยตัวหลงเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เราต้องเกิดนะใช่ตอนนี้ผมอยากจะทราบอีกตอนอาจจะนอกเรื่องเป็นที่ก็ได้แต่ก็อยู่ในเรื่องของประสูตธว่าอย่างสมมุติว่าวันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าเจตนาเดิมของโยมห้อยอยังเคร่งคงัดในทานเคร่งคัดในศีลใช่ไหมใช่ที่ว่าเป็นคนที่มีอนุสติอนุสติที่เราตามนึกถึงเป็นฌานคือเคารพนพระพุทธเจ้าเป็นปกติเป็นพ้ทธา น, นุสตินะ เคารพในพระธรเป็นธรรมานุสติเคารพในพระสงฆ์เป็นสังฆานุสติตั้งใจมั่นในศีลเป็นศีลานุสติตั้งใจมั่นในการให้ทานเป็นจาคานุสติใช่ไหมใช่ในเมื่อคุณยอมพ้อยมีอนุสติทั้งหมดครบห้าอย่างอย่างนี้ถ้าอย่าพูดกันไปอีกทีคนในเพศนี้ถ้าไม่ไปนิพพานก็สวยนะอะไรก็กจะไปถ้าไม่ไปเราไม่พยากรกันก็สมมติว่าญาติโยมพุกบริษัททุกท่านที่มานั่งที่นี่ ไม่มีโอกาสจะทําความดีอย่างคุยมห้อยแต่ยินดีด้วยจะเป็นบนไม้ทรัพย์ือปัตตานุโมทนาใหม่เป็นเป็นเลยใท่ได้เหมือนกันไทยจะอนุโมทนาเขาหรอใช่ได้ใช่ได้หมายควาทราบว่าท่านมีอนุสติทัห้าเ บ, บิกการครบถ้วนเหมือนยมห้อยอีกไม่ยมห้อยเราดีใจกับท่านด้วยใช่แมนไม่ทราบเลยว่าจะหอ้อยสงแต่งหรืดีขนาดนี้ อ้าวนะไม่ใช่โหนใช่ห้อยเอยคนมาข่าวจะอะไรจนอะไรกันแ้อยู่อยู่เป็นคนแบบนี้ได้ยังไงร้ายไปดิเออบนแทยนของแกก็ไปให้แกเลือกไปทาเรื่องทำราวนึกไม่ถึงว่าความดีจะมีขนาดนี้มาใกลจะตายจะมารวมรวมทุนนะตอของแกครับมามาดีตอนนี้ครับเมื่อรู้ข่าวก็ดีใจด้วยนะใช่โมทนาในความดีก็เป็นตรตานโมทนาใหม่ใช่ไหมใช่ ในเมื่อเป็นปัตตานมโมธนาใหม่สมมติเอานะเราไม่พูดเถึงเราเราไม่ทราบจริงสมมุติว่าเขายมห้อยไปนิพพานได้แต่คนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ตั้งใจจะทําอย่างนั้นได้เพื่อวันนิพพานเก็อารมณ์เลยว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติใจธรรมนี้ฉันจะทาอย่างไรห้อยละฉันจะปฏิภาณอย่างไรห้อยบ้างจะไปได้ไหมได้ที่บุคุณเจ้าได้นะแต่สำคัญจะหลอกตัวเองนะไม่หลอกที่เอาไปจริงๆรสิ ใช่ใช่นะเออเรื่องนี้เป็นความจริงญาติโยมพระตุภิษัทมีคนอยู่คนหนึ่งไม่เคยทําบุญได้ตนเองเลยแต่ว่าสามีทําบุญทุกชาติทุกครั้งเดี๋ยวเป็นแสนแสนชาติแล้วจะสมคายกมโมทนายก็สามีตลอดเวลาแต่การตั้งใจทําบุญเองไม่มีเมื่อเวลาสามีไปละหันตัวเองก็เป็นด้วยอย่างท่านางพิมพาไ็เหรอใช่อาจารได้เป็นรองไล่เป็นนางพิมนาก็พระตุภู